สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ในายกหารคนชอบเล่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกแล้วนะครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่านี้เป็นเรื่องราวที่ได้ฟังมาจากคุณลุงเก่งครับแต่ในื้อเรื่องที่จะเล่านี้ขออนุญาตตัดคําว่าลุงออกไปนะครับเพื่ออาจจะลในการฟังเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปี2512คุณเก่งได้ก็ไปทํางานเกี่ยวกับการสร้างฝายกั้นน้ําที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยฝายที่ว่านี้อยู่ห่างจากถนนลึกเข้าไปประมาณ 13-15 กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่เปียวกันดาลดูเงียบบริเวณที่ใช้ทําฝายกั้นน้ำแห่งนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งได้ปลูกสร้างเป็นที่พักชั่วคราวของบรรดานายช่างและคนงานปลูกเป็นเรือนแถวให้คนงานได้อยู่แล้วก็มีแยกปลูกเป็นหลังเล็กๆ เ, เพื่อให้ระดับบนหน้าได้พักอาศัยกันอยู่ และตรงบริเวณที่ปลูกบ้านพักชั่วคราวก็มีต้นตะแบกใหญ่ยูหนึ่งต้นตั้งแต่งานอยู่แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่ที่ใต้ต้นตะแบกนั้นก็มีศาลอยู่หนึ่งศาลเป็นศาลเก่าๆทำด้วยไม้จากข้อมูลที่คุณเก่งได้รับรู้คือว่าคนงานชุดเก่าตั้งขึ้นมาไว้และปลูกเอาไว้ที่ใต้ต้นตะแบกคนงานส่วนใหญ่ที่นี่มักจะกราบไหว้บูชาศาลนี้กันอยู่เป็นประจา เก่งพักอยู่บ้านพักคนงานที่ติดอยู่ค่อนข้างจะห่างจากต้นตะแบกนี้พอสมควรแต่เวลาจะเดินไปหาเพื่อนจะต้องผ่านต้นตะแบกใหญ่นี้ทุกครั้งเพราะว่าบ้านพักของเพื่อนปลูกอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กับต้นตะแบกนี้บางครั้งบางวันเลิกงานก็จะเดินไปคุยกับเพื่อนเพลินยันมืดค่ำประมาณ3าี่ทุ่มก็จะเดินกลับบ้านพักแต่พอเดินผ่านต้นตะแบกทีไรมันรู้สึกบรรยากาศเย็นเ ย, ยือยหวิวหิ ว, วยังไงไม่รู้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเวลาช่วงดึกๆ ก, ก็มักจะได้ยินเสียงของหมาในเห่าหอนรับกันเป็นช่วงๆเสียงส่วนใหญ่ก็จะดังมาจากใต้ต้นตะแบกอ้อมมาจากด้านหลังบ้านแล้วมาอยู่อยู่ตรงห้องที่เก่งพักอยู่สุนัขมนส่งเสียงร้องเหมือนกาลังเห็นอะไรสักอย่างหอนอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรสักพักก็เหมือนหมาสุนัขจะค่อยหอนออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นไปทางต้นตะแบก เก่งมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆทําไมหมาที่นี่มันถึงหอนอย่างนี้และคืนหนึง่งขณะที่เก่งกําลังนอนหลับสบายเก่งก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าข้างฝาห้องปรากฏมีเสียงอะไรบางอย่างดังครืดครืดดังเป็นระยะระยะเก่งจึงลืมตาขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นก็ได้พบกับร่างของชายสูงอายุคนหนึ่งยืนทมึนอยู่ ชายผู้นี้ตัดผมเกลียนแบบคนโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวนุ่งโจกระเบนขาวหน้าตาดูดุน่ากลัวและก็จ้องมาทางมุ้งที่เก่งนอนอยู่เก่งลืมตามองแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจจึงขยยยล้กตาและต้องมองไปอีกทีหนึ่งเมื่อเห็นภาพชัดเจนเก่งก็ตกใจอย่างสุดตัวเมื่อชายชราคนนั้นค่อยๆเดินก้าวตรงเข้ามาทางมุ้งของเก่งที่เก่งนอนอยู่และก็มานั่งยองยองก้มลงมองตรงมุ้งข้างๆเก่งนั่นเอง ตอนนั้นเก่งรู้สึกบาดกัวตกใจมากสติสตังไม่อยู่คืนื้อกับตัวจะร้องตะโกนของความช่วยเหลือจากพี่เพื่อนเพื่อนที่นอนอยู่ข้างก็อ้าปากไปขึ้นจากความระหงมมาคลุมโปงก็ไม่สามารถจะขยับตัวได้กระดิกไม่ได้แม้แต่นิ้วของตัวเองความบาดกลัวแล่นปราบเข้าจับคู่หัวใจและรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าชายชรลาคนเนี้ไม่ใช่คนแน่แนเก่งเลยพยายามรวบรวมสติยกมือใช้กำปั้นทุบพื้นอย่างแรงหลับตาปี๋ไม่กล้ามองอีกแล้ว ทุบตึงตึงตึงตึงสักพักใหญ่ๆหญ่มันจะกาศอึดอัดก็ค่อยๆหายไปจึงค่อยๆรวบรว ม, รว ม, รวมความกล้าลืมตามองขึ้นอีกครั้งปรากฏว่าไม่เห็นร่างของชายชราผู้นั้นอีกแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเป็นปกติจึงได้หลับตานอนข่มตานอนเพื่อจะให้หลับขณะนั้นหัวใจก็เต้นสมองก็คิดอย่างเดียวว่าชายชราคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่าประตูห้องก็ไม่ได้เปิด ผีผีเท่านั้นนี่ผีนี่มีจริงหรือนี่เก่งคิดได้แค่นั้นจนนอนหลับไปพอตอนเช้าพี่ๆข้างๆห้องก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนกลางดึกเสียงดังตึงๆเก่งจึงเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พวกพี่และคนงานต่างๆฟังทุกคนต่างมารุงฟังกันอยู่ด้วยจํานวนมากแล้วก็มีหนึ่งในนั้นทักขึ้นว่า ตั้งแต่มาเคยไปกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นตะแบกหรื อ, อยงังกินก็ตอบไปว่าไม่ได้ไปคนงานจึงแนะนำว่าน่าจะไปกราบไหว้ดูบ้างนะอย่างน้อยก็ไปแนะนำตัวทำความเคารพให้กับเจ้าที่เจ้าทางเขาหน่อยเจ้าป่าเจ้าเขาเขาจะได้คุ้มครองดูแลเพราะว่าหลายคนที่ไม่เคยไปทำความเคารพก็เจอกันมาหลายคนแล้วและส่วนใหญ่เมื่อไปทำการเคารพสักการะบูชาแล้วก็จะไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยเพอเพอได้ถูกหวยกันด้วยนะ เก่งได้ฟังคำแนะนําอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเพท่กความสบายใจทําตามบางก็ได้อย่างน้อยก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียหายแต่ใจลึกๆแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อถือหรือศรัทธาสารใต้ต้นตะแบกนั้นเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องแปลกเก่งเล่า ว, ว่าหลังจากที่เก่งได้ไปกราบไหว้สารที่ใต้ต้นตะแบกแล้วเรื่องราวหรือเหตุการณ์น่ากลัวต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยและจากนั้นเป็นต้นมา หลังจากที่เก่งได้รับเงินเดือนทุกครั้งเก่งก็มักจะเข้าไปในตัวอำเภอไปซื้อพวงมาลายัยรวมถึงอาหารคาวหวานเพื่อไปถวายที่ศาลทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของตัวเองเก่งทำงานอยู่ที่นั่นได้ประมาณ 3-4 เดือนพอถึงช่วงที่ปิดเทอมภรรยาและลูกสาวของเก่งก็บอกว่าอยากมาเที่ยวที่ทำงานของเก่งเก่งก็ไม่ขัดข้องโดยเก่งได้ไปรับครอบครัวคือภรรยาและลูกชายอายุ 4-5 ปีไปเที่ยวด้วย ภรรยาได้ไปอยู่กับเก่งที่ฝ่ายก้านน้ำประมาณ3วันจากนั้นต้องเดินทางกลับบ้านเนื่องจากต้องไปทำงานแต่ได้ทิ้งลูกชายไว้กับเก่งเพราะว่าไม่ว่ายัางไงลูกชายก็ไม่อยากกลับพร้อมแม่โดยอยากจะอยู่กับเก่งอย่างเดียวและช่วงที่ลูกอยู่กับเก่งนี่แหละเวลาเก่งออกไปทำงานเก่งก็จะพาแกไปฝา ก, กเล่นอยู่กับลูกชายของเพื่อนคนงานซึ่งบ้านของเพื่อนคนงานก็อยู่ใกล้ๆกับต้นตะแบกโดยฝากไว้กับภรรยาของเพื่อนช่วยดูแลในระหว่างที่เก่งไปทำงาน พนเกงานเก่งก็ไปรับทุกวันระหว่างที่ต้องเดินผ่านศาลเพื่อจะกลับมาบ้านพักทั้งเก่งและลูกก็ต้องยกมือไหว้ศาลทุกครั้งบริเวณที่อยู่ใกล้กับศาลจะมีบ้านพักคนงานอยู่อีกสองแถวแต่ที่นั่นล้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่โดยเฉพาะเดือนพักที่ติดกับศาลเคยมีคนงานหนุ่มสองสามคนลองเข้าไปอยู่แล้วเป็นอันต้องเห็นกันออกไปเป็นแถวๆ เ, เลยกลายเป็นเดือนร้างที่ฝุ่นหนาจับเตะิะห้องพักก็ปิดตาย อาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีคนไปเจอเรื่องราวประหลาดประหลาดจึงไม่มีคนกล้าเข้าไปอยู่มีวันหนึ่งเก่งจําได้ว่าเป็นวันเสาร์วันนั้นเก่งไม่ได้ไปทํางานขณะที่เก่งกําลังเตรียมอาหารเช้าอยู่ในครัวลูกชายก็ได้เข้ามาหาเก่งและบอกว่าพ่อครับพ่อครับน้ํามารับหนูแล้วน้าก็มายืนรอยอยู่หน้าบ้านเก่งก็ได้เดินมองตามออกไปดูแต่ก็ไม่พบใครจึงบอกลูกว่าไหนไหนน้าที่ว่าอยู่ไหนไม่เห็นมีใครสักคน ลูกชายจึงบอกว่านั่นไงทําไมพ่อถึงไม่เห็น น, นะาเนี่ยน้าเขายืนอยู่ตรงนี้ไงเอ๊ทำไมพ่อถึงไม่เห็นแต่คําพูดของลูกในขณนะนั้นก็ทําให้เก่งถึงกับขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็พยายามไม่แสดงท่าทางกลัวอะไรออกมารีบพาลูกเข้าบ้านพร้อมก็บอกว่าจะไปเล่นที่บ้านป้าก็ไปเถอะนะลูกชายของเก่งจึงเดินออกจากบ้านไปแต่ลักษณะการเดินดูแปลกๆเหมือนกับมีใครกําลังจุงมือให้เดินไปและลูกชายยิ่งทําท่าทางชี้มือชี้ไม้เหมือนกับกําลังคุยอยู่กับใครระหว่างเดินออกไปอยู่ เก่งรู้สึกแปลกใจมากตกตอนเย็นเมื่อลูกชายกลับมาเก่งจึงถามว่าไปเล่นที่บ้านป้ามาหรือเปล่าลูกก็ตอบว่าไม่ได้ไปที่บ้านป้าหรอกครับแต่ไปเล่นที่บ้านของนาที่อยู่ใกล้ๆกับต้นตะแบกนะ่ะลูกพูจบแค่นั้นเก่งตกใจมากขนลุกเรียวไปทั้งตัวก็เลยถามอีกว่าใช่ห้องแถวที่ปิดตาอยู่นั่นหรือเปล่าลูกชายก็ตอบว่าใช่ครับดูก็เข้าไปเล่นในห้องของนาเลยห้องของนาเขาสะอาดมากและนายัางเอาขนมกับผลไม้ไมาให้ดูกินด้วย พ่อบายนูก็นอนหลับอยู่กับน้า น, นั่นแหละพอตกเย็นน้าก็ปลุกและพามาส่งที่บ้านสิ่งที่เก่งได้ยินนั้นมันทําให้เก่งต้องตกอยู่ในอาการตระหนกตกใจแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดเรื่องราวนี้ออกไปได้และเชื่อว่าทุกสิ่งที่ลูกชายได้เล่าฟังนั้นมันเป็นเรื่องจริงและน้าคนนั้นน่ะเป็นใครจะใช่ชายชรลาที่เก่งเคยเห็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่สารใต้ต้นตะ แ, แบกนั้นเก่งตัดสินใจพาลูกชายเดินทางกลับบ้านและก่อนออกเดินทางกลับบ้าน ก็พาลูกชายไปไหว้ศาลเพื่อบอกลาอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะยืนยันได้ว่าณศนะาลแห่งนี้ใต้ต้นตะแบกมีวิญญาณมีเจ้าที่อาศัยอยู่แต่คิดว่าคงไม่มีเจตนาร้ายต่อเก่งและลูกเพราะการที่มาปรากฏตัวให้ลูกของเก่งเห็นตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเมตตาต่อเด็กแต่ถึงยังไงก็ขอพาลูกให้ออกห่างจากเรื่องราวลึกลับอย่างนี้ดีกว่า จากเรื่องราวที่ลุงเก่งจะเล่าให้ผมฟังและนำมาถ่ายทอดผมคิดว่าธรรมเนียมแบบไทยคือการไปลามาไหว้ก็ยังใช้ได้ดีกับทุกสถานการณ์นะครับสวัสดีครับ